ตอมบทแปลเรื่องพระละกุนตกะพัตติยะเตระภาคที่7เรื่องที่217ิพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระเชตวันทรงปราบรมพระละกุนตกะพัตติยะเตระพระพระธรรมเทศนานี้ว่ามาตาังปิตาังหันตวา ราชาโนเดเวจะโสติเยเวยักขะปัญจะมังหันตวาอานีโคยาติบรัมโนแปลว่าบุคคลข้ามารดาบิดาข้าพระราชาผู้เป็นพระรามทั้งสองได้แล้วและข้าหมวดห้าแห่งนิวรมีวิจิกิจานิวร์เช่นกับหนทางที่เสือโคร่ง เที่ยวไปเป็นที่ญาแล้วเป็นพรามไม่มีทุกขไปอยู่ความพิสด า, านว่าในวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระศาสดาซึ่งประทับนั่งนะที่ประทับกลางวันถวายบางลมแล้วนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งขณะนั้นพระละกุณทะกะพัติยะเถระ เดินผ่านพระผู้มีพระภาคเจ้าไปในที่ไม่ไกลพระศาสดาทรงทราบความคิดของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นหรือไม่ภิกษุรูปนี้ฆ่ามารดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์สันจอนไปกระเอภิกษุเหล่านั้นมองดูหน้ากันและกันแล้วก็ชงโนว่า พระศาสนาตรัสอะไรเนาะแลอย่างนี้แล้วจึงได้ทูลถามว่าโปรตรัสบอกพระตํารัมนั้นหมายความว่าอย่างไรพระเจ้าข้าเมื่อจะส่งแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสประกาถานี้ว่ามาตรังปิตรังหันตวาราชาโนเดเวจะกัดติเยรัฐถังสานุจารังหันตวา อาアニโกยาติปราโมโนแปลว่าบุคคลข้ามารดาบิดาข่าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ทั้งสองและข่าเบนแก้นพร้อมด้วยพนัก ง, งานเก็บสวยแล้วเป็นปรามผู้ไม่มีทุกข์สันจอนไปดังนี้ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสานุจรังแปลว่าพร้อมด้วยพนัก ง, งานเก็บสวยหมายความว่า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 เราเป็นราชโอรสของพระราชาหรือเป็นบุตรของมหาอัมมาต์ของพระราชาชื่โนโน้นดังนี้เป็นต้นและเพราะทิฏฐิทุกชนิดย่อมอิง ส, สัตตตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิทั้งสองเหมือนชาวโลกอาศัยพระราชาฉะนั้นสัตตตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิจึงชื่อว่าพระราชา ผู้เป็นกษัตริย์ทั้งสองอายตนะ12คืออายตนะภายใน6และอายตนะภายนอกทั้ง6ชื่อว่าแว่นแหวนเพราะคล้ายกับแว่นแหวนโดยอัจว่ากว้างขวางความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีซึ่งอาศัยอายตนะนั้นชื่อว่าพนักงานเก็บสวยเป็นเหมือนพนักงานเก็บสวย ผู้จัดการสวยคำว่าอนีโคแปลว่าผู้ไม่มีทุกข์ได้แก่หมดทุกข์คำว่าปราโมโนคือปรามได้แก่พระกีนาศพในพระกาานี้มีอธิบายดังนี้ผู้มีอสุบาสิ้นแล้วชื่อว่าพระกีนาศพพระตัดกิเลสเหล่านั้นมีตัณหาเป็นต้นได้ด้วยดาบ คืออรหัตตามัคคานจึงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัญจรไปในเวลาจบเทสนาพิกสุทเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหัตตอนพระคาถาที่สองแม้ในพระกาถาที่สองเรื่องก็เกิดเหมือนกับเรื่องแรกนั่นแหละในคราวนั้นพระศ า, ศาสดาทรงปรารพพระละกุลตกะพัธิยะ เทรากเหมือนกันเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสพระคาถานี้ว่ามาตรังปิตรังหันตวาราชาโนเดเวจะโสติเยเวยักขะปัญจะมังหันตวาอานีโกยาติปรมัมโนแปลว่าบุคคลข้ามารดาข้าบิดาข้าพระราชา ผู้เป็นพรามทั้งสองได้และข้านิวรมีวิจิกิจชาเป็นที่ห้าซึ่งเป็นเช่นทางเสือผ่านได้แล้วเป็นพรามผู้ไม่มีทุกข์สันจอนไปในมระดาคำเหล่านั้นคำว่า d ดเวจะโซติเย ja, คือดเวจะบรามเนแปลว่าผู้เป็นพรามทั้งสองก็ในพระคาถานี้ พระศาสดาตรัสให้สัจสตาทิติและอุเฉท ท, ทิติเป็นพระราชาผู้เป็นปรามทั้งสองเพราะโปร่งเป็นใหญ่ในพระธรรมและเป็นผู้ฉลาดในวิตีิเทศนาในคำว่าเวยยักะปัญจมังแปลว่านิวรมีวิจิกิจจาเป็นที่ห้ซึ่งเป็นทางเสียผ่านหมายความว่ า, วาพึงวิเคราะห์ว่า หนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปมีภัยรอบด้านไปลําบากชื่อว่าทางเสือผ่านส่วนวิจิกิจานิวร์ชื่อว่าเป็นดุดทางเสือผ่านเพราะวิจิกิจานิวร์เช่นกับหนทางเสือผ่านนั้นเป็นที่ห้าแห่งนิวร์นั้นเพราะฉะนั้นหมวดห้าแห่งนิวร์จึงชื่อว่ามีวิจิกิจานิวร์เป็นที่ห้าซึ่งเป็นเช่นทางเสือผ่าน ในพระคตถาที่สองนี้มีอธิบายดังนี้ว่าบุคคลฆ่าหมวดห้าแห่งนิวรมีวิจิกิจฉาเป็นที่ห้าซึ่งเป็นเช่นทางเสือผ่านนี้ไม่ให้มีส่วนเหลือด้วยดาบคือรหัตตะมขยานเป็นปรามผู้ไม่มีทุกข์สัญจรไปคำที่เหลือเป็นเช่นกับคำก่อนนั่นแหละเรื่องพระละกุณกะพัติยะเตระ